ฝนตกมันหาทางจะหลับนะอากาศเย็นมันจะจะลงก็วางหลวงอยู่เลือยแ้วกันตั้งใจงมมตั้งธรรมะสักหน่อยธ <c oughs> รรมะก็คืออยู่เ <c oughs> มมรื่อยธรรมะที่นำมาสอน โดยส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากการประปฏิบัติธรรมะที่จะเกิดขึ้นในโลกได้ก็อาศัยการประปฏิบัติาจสปฏิบัตเิเชื่อก่อนปฏิเวเทเชื่อก่อนจึงมีปริยัตแต่สมัยปัจจุบันทุกวันนี้มีปริยัตปฏิบัติปติเวท <c oughs> ตรงกันข้ามการปฏิบัติเป็นสิ่งสําคัญ ที่จะทำพวกเราท่านให้เขาสู่ความสงบเยังจะเรียนจะจำมาศึกษาจากภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตัวเองให้รู้ให้เห็นามจำมามันเป็นสัญญาทำให้เลืเียนไปเป็นธรรมดาเพราะสัญญาอนิจจาสัญญาณัตตามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของ สัญญาอารมณ์การประพฤติปฏิบัตินั้นเมื่อพวกเราท่านประพฤติปฏิบัติดูเห็นเป็นขึ้นในจิตในใจของตอนส่วนใดทีเห็นี่เป็นหรือการแต่ทาบาเพ็ญจนประจักในจิตในใจว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยมีเคยเป็นเคยเห็นเคยรู้มาก่อนเหมือนมันเป็นมันเห็นประจัดชัดเจนในจิตในใจใจของเรา จะเชื่อยจะเลือ่อมใสเพราะความสุขความสงบของใจจิตศาสร์จิจากสัญญาลมนั้นมันเป็นของมีคุณค่าสาระสูงผู้อยากจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่มีทางอื่นที่จะเห็นจะเป็นได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติห้าประพฤติปฏิบัติไปถึงชาถึงสมัยถึงการถึงเวลามันก็เกิดขึ้นเป็นขึ้น เมืเ่อเกิดเต็มเห็นรู้ในจิตในใจของตัวแล้วความหลงลืมในสิ่งที่ตัวเห็นตัวเป็นนั้นมันในหลงในลืมประทับจิตประทับใจอยู่ตลอดการตลอดสมัยเพราะความเป็นความเห็นนั้นมันเกิดขึ้นจากการประพุตปฏิบัตไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังมาไม่ได้เรียนมาจากที่อื่นมันจึงมีมีการหลงการลืมมันประทับใจอยู่เรื่อยๆไปเมื่อเห็นเมื่อเต็น มีความสงบเย็นในจิตในใจทุกคนเกิดมาก็าปรารถนาความสุขความเยือกเย็นพอเห็นพอเป็นก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเหลือ่อมใสโดยไม่ต้องบังคับบัญชาถึงการถึงเวลาจึงจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทุกวันทุกเวลาทุกการทุกจะหมายตั้งใจจะทําบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นเกิดความเป็นความเห็นส่วนนั้น คงเส้นคงวาหรือในเจริญเจ้าหน้ามีความเป็นของผูป้ปฏิบัติจึ่งไม่มีการถอยหลังไปสูดฝ่ายต่ําเพราะฉันเห็นฉันเป็นโดยการการทาบําเพ็ญมันมีความเย็นความสงบผิแดแปกแตกต่างกับการศึกษาการฟังมาพอมันเห็นมันเป็นในตัวของตัวเองนี่คือทำเกิดขึ้นจากการปฏริบัติของตน เนี่ยไ ม, มีธรรมเกิดขึ้นความสงสัยลังเลใจมันก็เป็นธรรมดาว่าไม่เห็นไม่เป็นในตัวบางสั่นบางคนก็จะเหมาตนเองว่าอาภัพเอาบาสันนะประพุทธปฏิบัติมาก็ไม่เกิดเห็นอะไรขึ้นบางสั่นบางคนก็จะสงสัยในเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าหมดการหมดสมัยหมดมรรคหมดผลพระพุทธปฏิบัติมาก็ไม่เกิดเห็นการรู้อะไร อ่าสงสัยในคํานองนั้นพอเราทํายังไม่ถึงขั้นถึงขีดที่มันจะเห็นจะเป็นมันก็ไม่เห็นไม่เป็นให้การทาถูกส่องถูกทางเข้าถึงการถึงเวลามันจะเป็นจะเห็นจะรู้มันก็เกิดขึ้นเป็นขึ้นการกระทําจึงเป็นเรื่องสําคัญส่องลงมือทำเรื่อยๆไปอย่าประมาทเพราะสังขารร่างกายของคนเรานี้ไม่เป็นของกีรังอย่างยืนไม่แน่นอน สิ่งอื่นที่เราเคยสุขเคยสนุกสบายมามันก็ผ่านไปแล้วมันก็ไม่เลยความสุขความสบายที่เราเคยเห็นมาเหล่าอีกอย่างเราไปจะจากมันไปถึงมันยังนีอยู่ก่บตามบางอย่างนั้นมันก็จากเราไปของเหล่านี้ไม่เป็นของจริงจังแน่นอนให้ที่ไม่ควรหลงไหลไปฝันเรื่องต่างๆนั่นนะ สิเราหลงไหลนั้นมันไม่หลงไหลไปตามเราหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาก็จะเป็นไปตามทํานองของเขาส่วนเราไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวเกิดทุกข์เกิดโทษเพราะมันไม่สมบังให้จึงควรที่นิพพานะให้ไปจากในใจถ้าไปจากในใจจริงจังแล้วมันถอดมันถอนมันปล่อยมันวางได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไร มันต่อแสดงของมันอยู่อย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านใน่ลืมหลงนั่นก่อไม่มีอะไรจะเป็นทิษเป็นภัยแต่เราลืมหลงมาเท่าไรความทุกข์ของใจกองชาวนั้นแผ่นจึงให้ทีนี้ที่ใจนาทำลายใจด้วยอาจด้วยรรทำสี่พระพุทธเจ้าทรงสอนสอื่นๆที่จะมาทำลายใจนอกจากทำแล้วไม่มีทำแถานั้นเป็นส่วนรักษาใจของพวกเราท่าน มีความสุขความสงบเรื่งองีิเลืสปันหาไหนมีโอกาสเวลาที่จะมารักษาจิตใจให้สงบสบายได้นี่จะปอกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเราจะรักจะชอบจะยินดีเฉลิดเพลินกับเรื่องของมันรอยไปมันก็ให้ทุกข์ให้ทษอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางศาสนาท่านจึงสอนให้กําจัดปล่อยวางละถอน ความจิตคลองค้องใจความอยากคลองใจความอยากคลองใจก็คือความไม่มีปัญญามองเห็นอาจเ้่งทำจริงจังไปยึดสมมติเรื่องโลกติดสมุตรเรื่องโลกเป็นส่วนใหญ่เพราะทุกคนเกิดมามันก็อดยยึดโด้ฟังเคยคิดเคยคุ้นเคยหยุนเคเกี่ยวยนนยกับเรื่องของโลกเดหตุนั้นเรื่องของโลกจึงกดจิตกดใจจิดจนิสัไม่มี ส่องทางที่จะมองเห็นอาจเห็นทาให้ส่องอาศัยการฝึกอบรมคือกา ร, กรปฏิบัตปฏิบัติอย่าไปวิ่งวุ่นติดตามสัญญาอารมณ์ของโลกพยายามรมจิตใจให้อยู่ในวงของอดของทำผู้ที่ตั้งหน้าบริกรรมก่อบอริกรรมรอยไปปล่อยวางสัญญาอารมณ์ที่มาย่ยอยู่จิตใจเกิดขึ้นภายในสวี จอนมาทางนอกกอดีปัดเป่ามันออกไปสั่งใจบริกรรมอยู่เรื่อยๆเพจนจิตอยู่กับคำบริกรรมค้องตนจนคำบริกรรมเป็นจิตจิตเป็นคำบริกรรมผลที่สุดมันจะรวมโงได้ความรวมค้องใจเป็นผลอันหนึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในใช่เราจะกําหนดให้น ม, นมันรวมเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทานั้นไม่รวมให้มันก็ไม่เห็นชาวอัศจรรย์อะไรความรวมค้องใจนั้น มันตัดขาดจากสัญญาอารมณ์ทั้งหมดมีแต่สติรับรู้อยู่แถวนั้นความเบาความสบายของกายของจิตนั้นไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบว่ามันเบาขนาดไหนมันสบายขนาดไหนจมมันรวมในเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์แถวนั้นแล้วก็เห็นความเยือกเย็นความสุขความปเปรตเสดความอัศจรรย์ของธรรมฉะนั้นอยากจะเห็นจิตรวมอยากจะรู้เรื่องของ เราต้องทําก็ต้องอาศัยการปฏิบัติแต่อย่างนั้นจะไม่เห็นให้ทุกคนมีศีลจึงจะปฏิบัติได้ไหมว่าผู้หญิงผู้ชายทวา่านักบวชห <c oughs> ยุดแต่ทำบรรทําเพนเอาตายไปแล้วหมดคุณค่าจะแต่ทําบําเพนอะไรไม่ได้แล้วการศีลก็ไม่เป็นให้ทานก็ไม่เป็นไหว้พระสวดมนต์อะไรก็ไม่เป็นทั้งนั้นแต่มันก็าตายกันทั้งทั้งศี่ไม่มี สาระประโยชน์อะไรยังไม่ได้อะไรถึงการถึงสมัยมันก็ตายไปเหมือยังมีลมหายใจอยู่จึงไม่ควรประมาทเี่ยวเรื่องแต่ทำศึกษาภาวนาบําเพ็ญให้เห็นให้รู้ในจิตในใจเมื่อมันเห็ น, ม, น, นมันเป็นมันเย็นมันสงบแล้วเรื่องของขาดขันหรือเรื่องของโลกเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันมันก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเราหนาที่ของเขาไปตามเรื่องของเขาหนาที่ของเราอยู่ตามเรื่องของเรา เราทราบเราพอใจจึงไม่มีอะไรที่จะทำจิตใจให้วาเวหุ่นวายเหลื่อร้อนขัดข้องพอใจที่ฝึกที่อบรมเห็นรู้ในอดในธรรมันเย็นทันใจงไในเหมือนพวกเราธรรมดาที่มีกิเลสปัญหาเป็นผู้นำพาของจิตใจจิดตึงอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อยากจะ ใจเป็นอย่างนั้นอยากใจเป็นอย่างนี้น อ, ยนอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้คือมันไม่มีเือนขอให้เร่องจิตใจของมนุษย์เราแต่หมัม่นมีร่ำรวยขนาดไหนจิตใจมันก็ยังไม่อิ่มไม่พอในเรื่องของยืดปัญ ห, หาสัญญาอารมณ์ต่างๆมันไม่มีเือนขอเป็นธรามันขอเป็นคนที่เกิดมาอายุแกไม่ต้องแต่ ท, ำำทําบําเพ็ญภาวนาอะไรคนนั้น ก็มีการพอในจิตในใจมรคนที่เขาต้องการก่อเกิดขึ้นให้นีม่มันไม่เป็นไปอย่างนั้นต้องอาศัยการปฏริบัติจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่อตามจะเป็นคนเฒ่าคนแกว่ก่อตามถ้าไม่มีคุณงามความดีในการธปฏิบัติอะไรแล้วมันก็ไม่มีคุณค่าสาระให้ถ้าหากระทพิจารณาให้เห็นให้เป็นในจิตในใจจะอายุใน่ี่ขวกที่ปีก่อตาม คนคนนั้นมีสาระมีคุณค่าอยู่ยังวันเดียวก็อยู่ต่อคนทีอายุตั้งร้อยปีเพราะชีวิตของเขามีคุณค่าสาระในอดในธรรมคนที่ใน ม, มีคุณค่าสาระในอดใดธรรมอะไรมีแตะถนอมเรือ่องกล้องตายอยู่เรื่อยใจอยากได้อันนั้นมาประดับประดาอยากได้อันนั้นมาับมาแตงยีนบุญแต่เรื่องก้องใจแต่เรื่องกองใจ โลกปวดหลงยันทับถมโฉมจีนน้ อ, อยู่เรื่อยไปไม่มีวันเย็นวันสงบให้มีแต่ตกาะเก่อนตัวของตัว อ, อยู่เสมอไปคนแบบนั้นอายุยนืนนานขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรที่มีคุณค่านอกจากความโลภความปว ด, ดความหลงเท่านั้นจิตทับถมโจมจีจิตใจของเขาเขาไม่เคยสงบเขาไม่เคยอยากเย็นเขาไม่เคยเห็นเคยรู้ในอดในธรรม ผูกประพติปฏิบัติเห็นรู้ในอดใดธรรมถึนจึงมีความสุขความเย็นเป็นพิเศษไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษยิ่งกว่าจิตที่สุดที่อบรมให้เห็นให้เย็นให้สงบฉะนั้นเราทุกคนมีสิทธิจะประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้เจนได้อย่าประมาท น, นใจว่าเราอาภัพอาวาสนาะว่ามักผลการเวลา หมดไปแล้วอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาจาริโกคือไม่มีการมีสมัยใครตั้งใจประพุะทธปฏิบัติคนนั้นจะเห็นจะเป็นจะรู้ใครนอนใจไม่ปฏิบัติธรรมนี้นายให้ถึงพระพุทธเจ้าจะยังทรงให้ชนอยู่ก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรแก่เขาถ้าเรารปฏิบัติจะต้งเห็นต้งเป็นโดยกันทุกคน สําคัญให้ตั้งมั่นในการ ป, รปฏิบัติอย่าเป็นหญิงนอนใจจิตที่มันไม่สงบนั้นมันอาศัยอารมณ์ชัญนยามาก่อควนมันอาศัยกิเลสตัณหามาหักห้ามเอาไว้จะทําอะไรมันก่อบอกว่าพอแล้วเอาละมันใจทํานองนั้นทั้งทั้งทีเนี่รู้ไม่เห็นไม่ดีไม่เห็นอะไรแต่ส่วนการเล่นการเพลินการกินการนอน ถาไม่อิ่มไม่พอมันไม่เคยเอาละมันพอไม่เป็นแต่เมื่อจะทำความดีมันหักมันห้ามเอาไว้มันกลัวจะหนีจากมันไปเรื่องอำนาจวาฏสนาของกิเลสตันหามันหักห้ามอย่างนั้นชะแล้วไปเชื่อเรื่องของมันก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะได้พาวะนะไล่กิเลสได้ล้วอย่าไปเชื่อเรื่องของมัน ทํากันจริงจงจังๆให้จิตของตัวได้รับความสงบความสุขความสบายละถอนกิเลสตัณหาเพราะเรื่องการเกิดการตายนั้นมันยากมันยุ่งมันยืดมันยาวยิ่งกว่าเราจะเสียสละจ้างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติหาเราไม่ประพฤติปฏิบัติจะปล่อยไปตามเรื่องของมันนั้น มันไม่มีขอบไม่เฉียดให้ว่าการใดสมัยใดกลับใดกันใดเราถึงจะควนกิเลสถ้าในตัวพืตปฏิบัติแล้วมันเยิยนได้ตายเกิอดอยู่อย่างนี้ทุกข์ลำบากขนาดไหนแล้วก็พอทราบเรื่องการเกิดมามันเป็นภาระหน้าที่ทุกข์ยากลําบากไม่ชเล่เล่นจนร้องไห้หน้ำตาไหลทนไม่ไว้ขอาตายตัเกิดมาอยู่อย่างนั้น ในลำบากลำพานในเจ็บในลาภถ <c oughs> ือว่าเป็นธรรมดาแต่การภาวนะลาละกิเลสนั้นถึงทุกยากลําบากเจ็บปวดเ ห, หนื่อยเหนื่อยหิเราก็สู้เอาทอนเอาเพราะชาตินี้ห้าเราถือว่าจะเป็นปัจจุบชาติของเราคือชาติสุดท้ายจะไม่เกิดไม่ตายอีกต่อไปเมื่อตงใจมั่นอย่างนั้นการประเพื่อปฏิบัติทุกวันทุกเวลาจะต้องตั้งหน้า ทำการจริงจี ง, งจังจังเมื่อกังหน้าทำจริงจังความจริงถึงพระพุทธเจ้ารู้เห็นก็จะเกิดจะเป็นขึ้นในจิตในใจของตัวหาครเล่นเล่นเพียงแต่เอาละพอแล้วแต่ไม่ได้อะไรในจิตในใจไม่เห็นอะไรที่เกิดความสว่างสวัยสงบเย็นแบบนั้นมันก็ไม่มีวันให้ ที่จะหลุดจะพ้นไปจากภพชาติแต่นั้นจึงควรยอมเสียสละตั้งหน้าทําจริงจังนักผลในใ่ของบุคคลคนใดห่าใครก็พิสปิบัติคนนั้นจะเห็นจะเป็นในจิตในใจทั้งตนถ้าไม่เห็นไม่เป็นไม่มีมรรคมีผลแล้วมันก็เป็นโมฆะล้าเกิดมาก็เหมือนกันกับสัตว์ทั่วไป แต็กินแตขี้แต่หลับแต่นอนเท่านั้นสัตว์อื่นเขาก็ทันนองเดียวกันเพลินในเรื่องเดียวกันกับพวกเราที่มีกิเลสปัญหามานาทิศทิ่ไม่มีอะไรผิดแปลกแต่เรายกเราว่าเป็นมนมุษย์เป็นสัตว์สูงสุดยิ่งกว่าสัตว์เหล่านั้นแต่ถา้ามาพิ่เจอนาสิตใจของพวกเราท่านถ้ามันอยามันว่าหุ่นุลเมืองกิเลสปัญหา มาณทิกทิยังเติมอยู่ในจิตในใจมันไม่แตกอะไรกับสัตว์เหล่านั้นมันเหมือนกันแต่เราละได้ถอนได้เราปวิบัติปฏิบัติตเข้าถึงอาจถึงธรรมเราจะทราบว่าจิตใจขันนี้มันมนีจากสัตว์พวกนั้นเขาเคยเพืิดเพลิพนมัวเมาส่อฝันในการมาชีเลตต่างๆจิตของเราแต่เก่าก่อนยังไม่ละไม่ถอนมันก็เป็นอย่างนั้น ออกมาพิจารณาอารรัดทำจิตใจรู้เห็นในอดัดในทำเบือหนายความหลงไหลใส่ฝันในยื่งของโลกของกามแล้วมันละขาดมาได้มันถอนขาดมาได้ใจมันสุขใจมันสบายตามีหูมีเห็นได้ยินแต่มันก็ไม่หลงไหลใส่ฝันใจตามที่เห็นที่ได้ยินนั้นนั้นมัน สุขอย่างไรมันสบายอย่างไรสู่แบบพืชปฏิบัติแก้ไขแก้ทราบจากความเห็นความเป็นของตัวฉะนั้นท่านจึงอยู่ในโลกแบบในจินโลกอยู่คอยวันที่จะไปจากโลกเท่านั้นส่วนจิตใจไปแล้วแต่ธาตุขันมันยังอยู่คือมันยังไม่ดับไม่ตายคือ ท, ที่ต่างเห็น ท่ดีท่าเด่นอย่างนั้นท่านจึงไม่มีอะไรเหยื่อใหในโลกต่อไปในพูดถึงโลกนอกโลกของตัวเองคือ ต, ตายนี้ก็บท่านองเดียวกันกว่าศาบ์ดีอยู่แล้วกว่ามันเกิดมาเป็นก่อนเป็นรลังของโลกของภยัยไม่มีที่ใดที่มันจะให้สุขให้สบายให้เพาใจไปยึดไปถือไปติตไปค้ อ, องที่ไหนก็มีแต่โรคแยกแไข่แย่เจ็บแยกไข่ ในร่างกายอันนี้มันมีที่ไหนไงความสุขความสบายเนี่ยเกดอีกก่อีกมันก็จะเป็นแบบเดิมของมันเรามารู้มาเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของโลงกภายในคือเรื่องของกายตัวเองในหลวงไหลกายของคนอื่นโลกอื่นเรื่องอื่นจะงอกจากกใจใจมันก็ห่างใจเลื่อยไป เห็นาากายทั้งตัวถ้าถึงา ม, มายึดกายทั้งตัวเท่านั้นเรื่องนอกมันก็จะยึดทั้งหมดเห็นกายทั้งตัวกว่าเป็นอนิจจังอนัตตาอาศุธาอาศุพังเรื่องคนอื่นผัดอื่นมันก็เหมือนกันหมดไม่ว่าอาดีตอานาคตเพราะปัจจุบันกายทั้งท่านทันเห็นอยู่มันไม่มีอะไรผิดผิดแตลกแตกต่างกันนี่คือการพิจารณาธรรมืธรรมเห็นธรรม เป็นโลกระวิถีรื่แจ้งทั้งอดีตที่ผ่านมาอนาคตที่ยังไม่ถึงเพราะปัจจุบันมันบงบอกอยู่แล้วมันทุกข์มันสุขอย่างไรมันปฏิกูิอย่างไรมันอดิจังอย่างไรมันอนัตตาอย่างไรทราบเข้าใจตามเป็นจริงแล้วมันจะมีอะไรที่จะเฉลิมใสหนีคือการชำระใจด้วยปัญญาโดยการใช้นิพพานธรรมะ เนื้อคนได้แต่ชำระสะาจิตใจทองตัวสะอาดปลอดภัยไม่มีจุดเดือดปัญหาหนาไหนจะไปรบกวนอีกท่ำจึงเย็นจงสุขจงสบายไม่วุ่นหวายในจิตท้องท่านถึงหลางกายมันจะแตกผันแตกสลายนั่นจะเป็นเรื่องท้องกายส่วนที่ชั้นหลุดพันธุนในใช่เรื่องท้องกายในเรื่องท้องขันท่านต้องทราบ ผลจริง่าบันไว้ถ้าตายตายไปแล้วยิตมันก็ตายไปด้วยนั่นก่น่นาเสียใจน่าเสียดายนี่จิตมันม่ตายไปทวามบริสุทิ์เป็นอย่างไรท่านทราบอยู่ก็อนทนทุกข์ทรมานเพราะขาดเพราะขันผลจริงว่าพาลาฮาเวปันจักขันพาขันทังหาเป็นพาลหนักแบกหามันอยู่เยอะกว่าหิวเยอะก่ากระหายเยอะกวนอนเยอะกวนั่งเยอะกว่ายืนเยอะก็เดินเคียนอยู่อย่างนั้น อี่อิอริยบถเยอะไม่ได้มันไม่มันเผาเรามันไม่เห็นทุกข์เพราะอิอรียบบเนี่ยะจบเอาไว้นานนานๆนี่กะดิบคิดแพงไปที่ไหนมันจะแสดงขึ้นอย่างทุกข์นอนนานๆแต่มันสะดวกสบายจะลองดูเดือนหนึ่งเขาจะให้เป็นกี่แสนกี่ล้านแต่ไม่ให้กะดทุกิดแพงไปที่ไหนยิ่งถ่ายก็ให้นอนอยู่นั้นเพยงเืนเดียวแค่นั้นใครจะรับดได้มันจะตายเพราะมันทุกข์ เดินเหมือนกันในให้หนัง่งให้นอนเดินอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดคือตลอดเดือนมันก็ไม่ได้อยู่เหมือนกันเหนื่อเรื่องทั้งทุกข์มันก่อนท้องทุกข์เหลืองท้งกายไม่เคยก่อนท้องความสุขความสบายอะไรสุดที่พอเปิดท้ชงท่าอยู่เรื่อยๆแต่เพราะไม่เห็นทุทกข์ส่วนเหล่า น, น, นี้ยิ่งยินดีอยากเกิดบยาตายกันต่อไปชาติที่ยาหน้าเขื่อถึงแล้วมันหนุนมีอะไรที่จะปกปิดกาําบังสติปัญญาของท่าน ข่านสราบข่านเห็นแับเกินอยู่ในใจก็พบร่าชาติเมื่อไรมันก็ทุกเมื่อนั้นข่านจึงไม่ติดจิต่านจึงข้ามไปได้อยู่เรามันไม่เห็นไม่เกินอย่างนั้นจึงเสียดายลำทึงลำทันสายยังอยู่ก็คงจะได้สรางบุญบรารณีอย่างนั้นอย่างนี้อพอป่วยไข้หนักเขา้าก็คิดว่าเราจะตายค่ะ บาบุญเอาไว้บางคนค่ะหายจากไข่จากป่วยจะทำบุญอย่างนั้นจะขาวัดขออาฉันสิ้นภาวานาะคิดไปก็หายไขไห้ยป่วยเป็นพรอีกแบบหนึ่งกิเลสมันหลอกลวงไปจนไปไข่ได้ป่วยอยู่กได้มันเหมือนฝ่าแหนบเทนั้นจิบสื่อจิตเห็นทุกเห็นใครคิดยาได้ทํานงานฝันดีมันไม่สว่างสวายเพรที่จะเห็นเถื่อถึงได้ าามีจิตของพระฤยาเจ้าฝึกฝึกฝนอบรมจิตใจคงเต็มจริงจังขันเห็นขันเต็มในตัวของท่านขันจึงไมีการลหลงไหลนี่จะ่ตั้งหน้าตัางา้งตาประพฤติปฏิบัติด้วยใจจมจิตใจละถอนตกหากหมดไปแล้วต่อมาเป็นภาระกับขันแหลกหามขันอยู่อย่างนั้นอยู่ไปทนไปเท่าไรก็รทุกไปเท่านั้นเมื่อขันแตกขันสลายไป ท่านจะเป็นอย่างไรท่านก็ทราบเรื่องของท่านแต่จึงหวะอนุนาอนนปาทิเสสานิพานคือเดินจะขันต์กบดับไฟกิเลสมันจบหมดไปแล้วจริงจะงเรื่ง้นถี่แล้วละลรยถอนมานจบหมดภาระทั้งหมดความสุขความสบายเป็นอย่างไรนักถิสันติพลังสุขั้งสงบไม่มีอะไรจี่จะเหนือไปได้ความสุขอะไรในะโลกจะไปเข้าไปถึง ความบริสุทธิ์ของจิตไม่มีหาสิ่งอื่นยังมีดีดีเศษยิ่งกว่าเรื่องการผลชี้เลียดปัญหาตัดโคตัดข า, าดของจิตของใจแล้วพข า, า, าคิดใเจ้าท่านก็ไม่ใช่คนโง่เป็นถึงกษัตริย์เรียนสําเร็จมาจากวิชาต่างๆการที่นี้พิจานะาท่านพิจรณาทั่วถึงลดจากของท่านสมบัตขบบบบิของท่านบริษัทบริวารของท่านมากมายขนาดไหน และให้ความสุขแก่ใจท่องแผ่นเข้ากันกับการละกิเลสปัญหาหรือไม่หาขข ก, ยยกวาความสุขของโลกยังดีวิเศษยิ่งกว่าความสุขของธรรมแล้วท่านจะอยู่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้จะกลับมาสู่ปราสารลสว่งมหาอานิสขางนอกนี่นเป็นอย่างนั้นความสุขของนิลานิสคือความสุขในการตปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดในจิตในใจละได้ถอนขาดจากกิเลสปัญหานั้น มันไปเสริจพิเศษยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปทันจึงว่านัตถิสันติปรางสุขขังสุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบก็ห ม, มายถึงสงบจากพบจากชาจากกิเลสปัญหาล้าขาดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะไปรบกวนจิตใจให้สงสัยลังเลนี่คือการปฏิบัติทันเห็นทันเป็นอย่างนั้น ผู gene, ้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาว์ผิดประเทปฏิบัติเข้าถึงอาจถึงธรรมก็เป็นอย่างนั้นท่านจึงว่าผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ธาตุคือเห็นธรรมบริสุทธิ์ของจิตของใจนั้นเราเห็นเราเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นก็เป็นอย่างนั้นท่านเป็นศาสดาสอนเราเพียงเราเห็นเท่านั้นก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์นี้ไม่บ้าแต่ไม่ใดการใด มันเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะผิดแตกแตกต่างกันไม่มีอะไรที่จะละเอียดฝูกนขุมยิ่งกว่ากันบริสุทธิ์เหมือนกันหมดสาวกองค์สุดท้ายหรือพระพุทธเจ้าถ้านองเดียวกันหมดนี่คือความบริสุทธิ์มันไม่มียื่งย่อนกว่ากันแต่อํานาจวาสนาบุญญาบารมีส่วนอื่นนั้นมันผิดกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนรถไฟอ่ะ บรรทุกคนใดจำนวนพันพันหนึ่งหมื่นแต่สาวกบางขันบางองค์ก็เหมือนรถไฟหันใหญ่บรรทุกได้หลายองค์หลายคนแต่บางองค์ก็เหมือนจักรยานนั่งหนึคนเดียวเท่านั้นจะต่อไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันมีความบริสุทธิ์มันเหมือนกันหมดแต่อํานาจวาสนามันไมเหมือนกันเพราะท่านสู้ที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ท่านก็สอนคนใดมาก ท่านประโยชน์แกโลกได้มากแต่ถึงอย่างไรก็ดีเอาตัวรอดเป็นยอดดีขอให้เอาตัวรอดได้เถอะเป็นดีถ้าเอาตัวรอดไม่ได้ถึงคนอื่นจะมาห้ามร้อมแห่แหงขนาดไหนมันก็ไมนมีอะไรที่จะดีพิเศษให้ขอสันสนิญเดินยอขนาดไหนแต่จิตใจของเราคอยจังเต็มไปด้วยความโลภความกดความหลงอยู่มันก็ไม่มีอะไรที่จะหน้าตื่นเส้น น่าดีใจแต่เราหมดกิเลสตัณหาภายในเขาจะมีภาวะกล่าวขนาดไหนใจของเรามันบริสุทธิ์อยู่แล้วเราก็ไม่หวั่นไหวในความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ทีทิเจรณาถึงเรื่องของอดท้องทมอรทมเท่านั้นแหละจะําระจิตใจให้ทองใสให้บริสุทธิ์ไม่มียาขนานอื่นที่จะรักษารักษาใจของเราสติปัญญา ศรัทธาความเพียรแถวนั้นเป็นทางที่จะตัดพบแชดกิเลสปัญหาได้จงหมั่นที่นี้พิจารณาศึกษาตัาง้งนาปฏิบัติมันยังไม่สายเกินควรพอที่จะปปฏิบัติได้อย่าไปคิดว่าตายไปแล้วจะได้ไปสือนั้นสื่อนี้ปกติธรรมดามันยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรตายไปมันจะไปเห็นไปรู้อะไร่ะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ ตายแล้วจึงได้นิพพานสาวกทั่วไปกับทํานองเดียวกันกิเลสมันหมดเมื่ออะไรต่นิพพา น, นอยู่ที่นั้นจะอยู่บนเขาก่อตามจะอยู่ในถ้ำกว่าตามจะอยู่ในต่ากว่าตามในวัดกว่าตาม่าตาหยดหมดกิเลสคือเป็นนิพพานแต่ใจมันอยู่ถึงอยู่ตามที่ไหนอยู่ที่จิตที่ใจของบุคคลคนที่มีกิเลสจะขึ้นหอเห็นเดิน พาไปที่ไหนก็ไปเธอะจีเรศมันกดขีหลังนั่นคอไปนั่นเนละตายแล้วก็อยู่ในอำนาจวงล้อมของจีเรศนี้จากจิเรศไปไม่ได้คนที่ข่าจีเรศตายในใจคนนั้นนิพพานจะตายอยู่สถานที่ตาแหน่สูงไม่เป็นของสำคัญของไห้จีเลศหมดไปจากจิตใจเท่านั้นมันก็เห็นสราบชัดว่านิพพานอยู่ที่ไหน ท่านจึงม่อยากไปนิพพานอยากไปทําไมถ้าท่านเห็นท่านเป็นอยู่ในตัวของท่านถ้ายังอยากไปก็ยังไม่ได้ไม่ถึงเลยสิยังอยากเห็นก็ยังไม่เห็นจึงอยากถ้ามันเห็นแล้วจะได้อยากทําไมีการประปฏิบัติด้านอาจทำจึงเป็นเรื่องสําคัญค่นวนส่วนเราท่านจะสนใจนําไปประปฏิบัติศึกษา